หมายเหตุบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่สี่เรื่องสีลับพะตะปรามาสสีลับพะตะปรามากเป็นสัญญาณที่มักเข้าใจกันพรามากที่สุดข้อหนึ่งจึงเห็นควรนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจในสุดตานิบาศ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 ทิฏฐิการยึดถือของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกจากธรรมวินัยนี้ทำนองนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลความบริสุทธิ์มีได้ด้วยพรตความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตนี้เรียกว่าศีลับพะตะปรามาตคำว่าของสมณะพราหมณ์ภายนอกคำนั้นบางทีทำให้บางท่านเข้าใจผิดว่า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 หรือในอัธกถาก็ไม่มีคำว่าของสมณพราหมายนอกเพราะเมื่อถือผิดอย่างนี้ถึงอยู่ในพุทธศาสนาก็เป็นการถืออย่างคนนอกพระศาสนาสรุปความหมายตอนนี้ว่าสีลพะตะปรามาตหมายถึงการประพฤติศีลปลมด้วยโมหะคือความหลงงมงายว่าจะบริสุทธหลุดพ้นบรรลุจุดหมายของศาสนาเพียงด้วยการบาเพ็ญศีลปลดนั้น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 เช่นพวกถือกุกกุรพ์อัรถกถาก็อธิบายว่าศีลก็หมายถึงประพฤติอย่างสุนัขพรตก็หมายถึงข้อปฏิบัติอย่างสุนัขถ้าเป็นชาวพุทธศีลก็ได้แก่เบญจศีลเป็นต้นพรตก็ได้แก่การถือตุดงบางที่อัรถกถาก็พูดเฉพาะภิกษุว่าศีลหมายถึงปาริสุธิศีลสีพรตหมายถึงทุ่งสิบสาม คำว่าปรามาตมักแปลกันว่ารูปคลำแต่ความจริงความหมายในบาลีทั่วไปได้แก่หยิบฉวยจับต้องจับไว้แน่นเช่นพระจับยึดตัวอุบาสกไว้ทีคาวกุมารจับเสียญพระเจ้ากาสีเพื่อจะปลงประชนพระพุทธเจ้าไม่ทรงยึดมั่นความรู้ไม่ควรหยิบฉวยของที่เขามิได้ให้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 สิขาบทวิพังซึ่งอธิบายปรามาศสนาโดยไขความว่าอิโตจิโตจะสันโจปนาแปลได้ว่าลูกหรือสีไปมาอย่างไรก็ตามความหมายของปรามากในด้านหลักธรรมมีคำอธิบายเฉพาะชัดเจนอยู่แล้วว่าสภาวังอติกมิตตวาปรโตอามสตีติปรามาโสแปลว่า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 แปดเปื้อนหรือเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วท่านอธิบายว่าถูกตันหาและทิฏฐิจับต้องคือประเปื้อนหรือไม่บริสุทธิ์เพราะถูกตันหาและทิฏฐิเข้ามาเกลือกลัวพัวพันคือรักษาศีลบำเพ็ญพรตเพราะอยากได้ผลตอบแทนเป็นลาบยศสันเสริญสุขสวรรค์หรือเพราะเข้าใจว่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามลัทธิหรือทฤษีที่ยึดถือเอาไว้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 หรือด้วยตันหาและทิฏฐิซึ่งแสดงออกในโรคของการถือโดยงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายสักวัฒทาําตามกันไปอย่างเถนสองบาทบ้างถือโดยหลงผิดว่าศีลเพลศเท่านั้นก็พอให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือถืออย่างเป็นพิธีรีตองศักดิ์สิทธิ์ว่าทําไปตามนั้นแล้วก็จะบรนดาลผลสำเร็จให้เกิดเองบ้างถือโดยรู้สึกว่าเป็นข้อบังคับ ล, ลอยเป็นเครื่องบีบขั้นขืนใจ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 มีอาการยกตนข่มผู้อื่นบ้างลักษณะการรักษาศีลบําเป็นพราที่ถูกต้องไม่เป็นศีลับพตับปรามารก็คืออาการที่พ้นจากความผิดพลาดที่กล่าวแล้วข้างตน้นซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ตรักว่ากระทําเพื่อฝึกหัดขัดเกลาวตนเองเพื่อเป็นบาทของสมาธิเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความดีงามของประชุมชน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 เพราะเป็นศีลอยู่ในตัวเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืนอีกต่อไปและถือพอดีประดีตรงตามหลักตามความมุ่งหมายไม่ย่อนไม่เขวไม่เลยเถิดไปจบบันทึกที่4ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป